ในนี่นไม่ถึงคิดว่าไม่ถึงใถ้าใช้สายตาเท่าทุกวันเนี่ยไม่ถึงะ ม, มันเป็นอย่างนั้นแล้วก็ยอมรับอยู่แล้วแต่ทีนี้พยายามจะใช้มันให้มากก่อนที่มันจะพังเหมือนกันนะพังก็อบอดซะได้ก็ดีเหมือนกันถ้าคือถ้าจะได้มีเวลาไม่ต้องไปดูใช่ไหมจะได้นั่งตึกคําสอนอย่างเดียวนะได้ เทาโลกทาวานตาออกเพรา ะ, ะนั้นใครจะบอกมีสีมีการแสดงที่ไหนโอ้ไปดูก็เข้าไม่ได้ตาเสียไปแล้วถ้าหูเสียด้วยก็ยิ่งดีใหญ่เลยนะจมูกเสียลิ้นเสียกายเสียใจเสียเสียหมดเลยแจวมากถ้าไม่เกิดอีกแต่ก็ต้องดูว่าละวิปลาสได้หรื อ, อยังนะถ้าละวิปลาสไม่ได้ก็ยังว่านะทิ้งกายอันนี้ทิ้งตาอันนี้ก็เพื่อจะถือเอาตาอันไม่บริหารขึ้น ออกมาเนี่ยบางทีเห็นเด็กๆนะสงสารมั น, เ, นเห็นเด็กๆโอ้โหนี่มันจะต้องมาใช้ชีวิตอีกเหนื่อยอขนาดไหนวะเนี่ยแต่ก็เห็นคนที่สูงอายุก็น่าสงสารเองเหมือนกันนะคือจะกลับไปเป็นเด็กอีกแล้วอย่างเงี้ยนะเพื่อจะได้มันเหน็ดเหนื่อยอีกต่อไปเนี่ยนะถ้าเป็นมนุษย์ก็ค่อยอยังชั่วห น, น่อยนะไปเป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่มนุษย์เนี่ยเดือดร้อนกว่านี้เยอะเนี่ ย, ยนยละระลึกถึงคําของเปรตเสมอๆที่มาเตือนหลานอย่าเพิ่งตายเลยอยู่ไปเถอะเนี่ยนะตายแล้วมันจะเดือดร้อน เป็นผู้ใช้แรงเลยใครมาไปยืนตากแดดทำงานหนะัสักวันเดิน อ, อยากจะให้ลองลอดูสักวันมันมันมันของมาไม่ใช่ทำวันทำไม่รู้กี่ปีเนี่ยนอน อ, <ๆ>นอทำงานรายวันเนี่ยตากแดดที่แง่แดดเมษานี่แหละเนี่ยนะแล้วแบกของที่มันเกินห้าสิบกิโลเนี่ยนะหรืออะไรเงี้ยเราก็ทามาตั้งตั้งทำมาไม่ใช่น้อยเลยอะ แล้ก็รู้ว่ามันไม่ได้มีความสุขอะไรหรอกแต่ถ้าผู้ที่มีเขาเกิดมามีบุญจะโดยมากก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าหากว่าผู้ที่บุญไม่มากนักเนี่ยนะถ้าเกิดมาแล้วมันเดือดร้อนมากจนถ้าหากว่าไม่สามารถประพฤติสุดจริญเพื่อเลี้ยงชีวิตได้อะถ้าหากว่าวิบากมันจนถึงระดับหนึ่งแล้วนะสมมติถ้าหากว่าเป็นคนยากทั่วๆไปเลยถ้าเขา ไม่มีสวนไม่มีเลือกสวนไรนะ่นาพอจะปลูกผักปลูกอะไรได้แล้วเขาไม่มีสตังด้วยถามว่ามื้อนี่เขาจะกินอะไรถ้าเขาไม่ทำอาถรินนาทานเขาก็ต้องทําปานาติบาปปานาติบาปมันก็ดีไม่ผิดกฎหมายนั่นนะทั้งก็ปานาติบาตเขาก็ยกย่องกันใช่ไหมใครเอาแหลงน้ําก็เขาก็ยกย่องกันเออขยันทํามาหากินนะแต่นั่นก็ปานาติบาตทั้งนั้นแล้วก็ไม่ใช่ว่า ไปหาไอ้ชนิดเทระตัวหนึ่งอิ่มหนึ่งมือมันไม่มีมันมีแต่ว่าครึ่งอ่สาสำหรับพันตัวแล้วยังไม่ทันอิ่มเลยอย่างงี้ยนะหากุ้งฝอยตัวนี้เดียวมาเนี่ยนะกี่กี่กี่ร้อยชีวิตไปแล้วอย่างเงี้ยแล้วมือหนึ่งเนี่ยมันกี่ชีวิตแล้วเกิดมาเนี่ยนะอย่างบางคนเนี่ยนะเช่นอย่างนึกถึงไม่ใช่คนอื่นอย่างโยมพ่อเนี่ยนะนี่ถ้าแกศึกษาเรื่องกรรมดีๆเนี่ยแกจะเดือดร้อนขนาดไหนถ้าแกมีความรู้ซะหน่อยนะแกจะทุกข์ขนาดไหนไม่ทราบ พราะตลอดชีวิตเนี่ยถ้าเทียบบุญกับบาปแลยนะบาปประเภทร่วงกรรมรบดเนี่ยไม่ใช่น้อยนะแต่ก็มีคนที่หนักกว่านั้นอีกก็คื อ, คอที่อาชีพทําเรื่องนี้โดยตรงเลยนะ น, น่าจะน่าการุณาอีกขนาดไหนถ้ารู้บุญรู้บาปนะทีนี้ในในวะตะัตฏะอันยาวนานไม่ใช่ว่าเราไม่เคยทำํำเพราะหนึ่งถ้าเราเคยทำหนึ่งตัวก็แสดงว่าเราเคยทําไม่ใช่น้อยจึงมีอัธยาศัยที่จะทําแบบนั้น เเพราะนันะ้นถ้าหากว่าเราพอใจในเรื่องไหนก็แสดงว่าสิ่งนั้นเราเคยทำแล้วเราก็จะทำสิ่งนั้นอีกต่อไปถ้ายังไม่ได้พ้นจากสิ่งเหล่านี้เห็นไหมเพราะนั้นพอเนี่ยที่มาคิดถึงเรื่องคนอัฟกานิสถานกับคนอิรักอพยพเนี่ยนะคือหนีออกจากประเทศไปไปประเทศอื่นแล้วเขาไม่รับอ่ะเห็นไนะอพยพไปนะลงเรือไปไม่รู้ไอ้อดอยากหิวโหวยอยู่บนเรือมนก็หนักเต็มทีแล้วใช่ไห มันไม่ใช่เรืออย่างดีแบบเรืออะไรนะเรือท่องเที่ยวเรืออะไรเรียกเรือมันไม่ใช่เรือแบบเรืออะไรนะเรือสำราญอ่ะนะไม่ใช่เรือสำราญที่แหมไปอย่างสบายก็ไปเดือดร้อนเนี่ยนะข้ามทะเลไปไปถึงฝากน้นแล้วเขาไม่รับอ่ะเขาไล่เหมือนกับสิ่งเขาเขาสุนัขเขาอาจจะต้อนรับนะม้าเธอเร่เรียกมาเลยอ่ะแต่ว่ามนุษย์เนี่ยเขาไม่รับอ่ะนะมันจะเดือดร้อนขนาดไหนของเรานี่มีผู้เชี่ยวชาญด้านอพยพมานั่งอยู่ด้วยคนหนึ่งนะถ้าให้แกเล่าบ้างอจะมีความ ดันตูตามก็อยู่รูปศูนย์นกพยพนานหลายปีเหมือนกั น, น, น ด, ดีไหมดันตูตามขอพูดน่อดหมครับคือเขาว่าเรือที่ไปรอยอยู่กลางทะเลเนี่ยแล้วก็หลงทางคนในเรือต้องเอาหนันงรองเท้านี่มาต้มกินดันบางคนเนี่ย น, นะ ก, ก็แล้วแต่จะคิดหาอะไรมาให้มันอิ่มท้องอะไรก็ขนาดอย่าง การอพยพเนี่ยนะจากอีกที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งเนี่ยมันก็ถูกขูดรีดมาจนไม่รู้กี่รีดไปแล้วนะถูกขูดถูกรีดโอ้ือดร้อนมากนั่นก็นี่คือโทษของการบริหารตาหูจมูกลิ้นกายใจอนะถ้าถ้าถ้าจะกล่าวไปทั้งหมดอนะเมื่อมีตาแล้วก็บริหารกันตาเมื่อมีหูก็บริหารหูเมื่อมีจมูกมีลิ้นมีกายก็บริหารกายมีใจก็บริหารใจนะนีนน่มีเฉพาะภายในก่อนนะ แล้วก็ยังมีภายนอกมีไปยิ่งมีมากเท่าไหร่มันก็เดือดร้อนเข้าไปเท่านั้นถ้าพูดถึงคนมีบุญหน่อยก็ค่อยยังชั่วถ้าบุญไม่มีเนี่ยพวกนี้แหละคือหมายถึงว่ า, าการที่มาเกิดทุกข์ยากเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นผลของความเป็นพานในอดีตใช่ไหมนะคุณมุงชูภาระบัญดิสูตรว่ากันนะก็เป็นผลของความเป็นพานในอดีตอยู่แล้วทีนี้เมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ทาแต่ความเป็นพานอันใหม่ขึ้น นำปาณาติบาตเป็นต้นก็ถือว่าเป็นความเป็นพานแล้ว น, น, นะทีนี้ก็คติของคนพานที่ไปของคนพานก็คืออาบายทุกติวินิบาตนรกนั น, นะจากนารกสู่นรกจากนารกมาเป็นมนุษย์เป็นต้นเออมาเป็นเปรตถึงมาเป็นมนุษย์ก็มนุษย์ชาติตระกูลต่ำเนี่ยนะผิวก็ไม่ดีเรียกว่าขาเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มก็ยากสุขภาพก็ไม่ดีป่วยก็บ่อย น, นะนะอย่างมีมีเด็กคนหนึ่งนนะ แต่เป็นโรคหัวใจพ่อแม่ก็อาชีพอาชีพประมงน้ําจืดที่วันหนึ่งไม่ได้ปลาถึงกิโลเลยคืหาทั้งวันไม่ได้ปลากิโลหนึ่งเลยบางวันอ่ะแล้วลูกเป็นโรคหัวใจของนะแล้วก็ทรมานมากอ่ะนะพ่อแม่หาสตังค์อย่างไรมาพักก็ไปหาหมอแล้วพักก็ไปหาหมอแล้ ว, ลวนะนะแล้วก็นับว่าแล้วไปหาหมอก็ทีนี้ถ้าศึกษาในวงการของหมออีกไม่ใช่ว่าหมอนี่ก็จะแก้ได้สารพัดโรคไปหมดเลยใช่ไหม มีมางคนไข่เนี่ยรักษาหายหมดเลยเมื่อกี้ฟังวิทยุมาหมอเขานั่งจามแชัดๆชดชดหมอก็เป็นภูมิแพ้เหมือนกันนะถ้าใครรักษาได้ก็บอกหมอทีหมอจะไม่รักษาเหมือนกันน่ะมันก็หมอเองก็ไม่ได้ว่าพ้นอะไรเนี่ยนะมันก็ว่าสภาพของสัตว์ที่เกิดมาแล้วในโลกเป็นอย่างนี้จริงๆน่นะ มันในการรู้จักอัศาธาอาทีนวะเนศรณะของจักสุเนี่ยนะอันนี้เป็นข้อปฏิบัติที่ชอบจริงๆเราไม่ควรจะปล่อยให้ข้อปฏิบัติอันนี้ผ่านไปนะซึ่งสามารถเอามาเจริญเอามาพิจารณาได้อยู่แล้วเหตุเกิดเนี่ยนะซึ่งมีใครบ้างเห็นแล้วเพื่อไม่ไม่สร้างตาต่อไปนะอันนี้ก็รู้ละ เ, เหตุเขตเกิดได้ใช่ไหม ผู้ที่ปฏิบัติตามคำสอนนะ่ะคือผู้ที่ปฏิบัติเพื่อไม่ให้เกิดตาอีกต่อไปนั่นะก็มาแยกเหตุเกิดกับความดับสองอย่างนี่ก่อนแต่ว่าตามีอัาธาคือเป็นที่ตั้งแห่งสมุ ท, ทยัยแต่ตาทั้งหลายก็มีโทษอยู่เนี่ยนะก็เห็นโทษที่จะมีตาต่อไปมากมากๆมากๆอันนี้จึงเป็นข้อปฏิบัติเพื่อให้พ้นจากตาอันถ้าสาธยายตาเป็นของร้อนเป็นต้นเนี่ยนะ หรืออานิจโตทุขโตโรคโตสาละโตานาตตาโตเป็นต้นเนี่ยถ้ามีความเข้าใจแล้วมาใคร่ครวนอย่างนี้บ่อยๆเนืองนิดคนที่ตามเห็นแบบนี้แหละเรียกว่าเจริญอนุปัสนาเจริญอนุปัสนาถ้าตามเห็นโดยความเป็นทุกข์เรียกว่าเจริญทุกขานุปัสนาถ้าตามเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นของแปรปรวนไปเป็นของไม่ยั่งยืนเป็นของไม่แน่นอนเป็นของที่มีความตายเป็นธรรมดาตามเห็นแบบนี้แหละเรียกว่าเจริญอานิจจานุปัสนา แต่ถ้าตามเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นไปตามปัจจัยนะก็ไม่ได้มีผู้เป็นใหญ่ไม่ได้มีผู้บงการตัวมันเองก็ดำรงอยู่ด้วยปัจจัยดำรงอยู่ด้วยเหตุด้วยผลเนี่ยนะก็เป็นของที่เป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์ยากลำบากแล้วก็ไม่มีสาระแกนสารอยู่ในนั้นอย่างแท้จริงตามเห็นแบบนี้มากๆ ก, ก็ตามเป็นการเจริญอ น, อนัตตานุปัสสนานะผู้ที่เจริญแบบนี้มากๆถามว่าจะเบื่อหน่ายได้ไหม ถ้าคิดอย่างนี้เป็นแตื่นเช้ามาเนี่ยนะคิดไปจะถึงหลับอีกครั้งหนึ่งตื่นมาก็คิดอย่างนี้ต่อไปเนี่ยนะจะเบื่อหน่ายได้ไหมเบื่อหน่ายได้นะถ้าเบื่อหน่ายก็คลายกำลังนั่นแหละเพราะความคลายกำลังนั่นแหละเป็นอรยิยมรรคผู้ที่เบื่อหน่ายในระดับสูงเนี่ยเขาจะต้องเทียบอีกสิ่งหนึ่งแล้วนะเขาจึงเบื่อสิ่งนี้เขาเทียบแล้วคือมีการไม่มีคือคือการไม่เกิดเป็นสุขอย่างยิ่งคำว่างั้นคือมีความคิดแบบนั้นเป็นอัธยาศัยอยู่แล้ว จึงเห็นอันนี้มากเพื่อจะออกเพราะถ้าไม่เห็นอย่างนี้ออกไม่ได้นั่นนะคือคือพูดถึงว่าถ้าคิดอย่างนั้นไปๆมากๆถึงจุดหนึ่งนะฮะต้องเรือนนายแน่นอนอนะี่เพราะว่าเรามาเทียบดูในฝ่ายอภิุศนบ้างนะครับเดิมไม่นึกโกรธเลยนะโกรธอาจจะมีเชื่ออยู่ว่าโกรธโกรธไอ้เรื่องเนี้ยคนเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าลบ ก็ตอนคิดใหม่ๆมันไม่ค่อยโกรธเท่าไหร่นะถ้าเราคิดทุกวันนี่ครับคิดมากๆเลยนะ<ม>คิดทําแล้วทำอีกไหนยอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้นะโอ้มันโกรธได้แรงมกันนะครับโ<ส>กรธได้เต็มที่เหมือนกันนะครับ ส, สมมติถ้าเราจะอยากเกลียดที่หน้าใครนะไม่อยากเห็นหน้าเขานะหรือเครียกว่าสร้างความชิงชังชนิดเนี่ยนะก็คือค่อยๆ ค, คิดถึงหาความชั่วของเขาอนะมันมีเลวส่วนไหนบ้าง เก็บมาคิดอย่างละนิดอย่างละหน่อยผสมประสานเข้าหนักๆเ ข, กเข้ารังเกียจยิ่งกว่าเห็นอะไรอีกนี่นะโทรนะนี่นสายโทรศัพท์นะแต่อันนี้ไม่ใช่โทรศัพท์แต่เป็นการเห็นด้วยอํานาจของปัญญาปัญญานี้พระองค์ตรัสว่าเป็นสิ่งที่มีคุณมาก น, นะเป็นสิ่งที่มีคุณมากถ้าเจริญตามนี้จริงๆก็ออกจากจากทุก์ได้จริงแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยผู้มีปัญญาทั้งหลายเขาไม่ได้เห็นทุกข์ที่มันมีอยู่นี่หรอก พระอรหันต์สมัยพุทธกาลที่ท่านมาบวชนะ่ะท่านเป็นบุตรเศรษฐีเป็นพระราชา ม, มหากษัตริย์เป็นเป็นส่วนมากที่มาบวชนะเป็นคนที่เรียกว่ามีเพียบพร้อมด้วยเบญจากามคุณเป็นอย่างมากเขาไม่ได้เดือดร้อนเรื่องปัจจัยสี่เลยชีวิตอย่างเอ่อบางคนก็บอกว่าโอ้โหมันใช้เงินสมมตินะสํานวนโบราณว่าวัลพันวัลพันของโบราณ น, นะวัลพันของโบราณก็เท่ากับวันละแสนด้วยวันละล้านของสมัยนี้เนี่ยมันใช้อยู่อย่างนี้ร้อยปีมันก็ไม่หมด ค, คือเขามั่งมีขนาดนั้นแต่ว่าเขาออกบวชเอาสินะคือเพราะสิ่งที่เขาเห็นภัยคือภายในอนาคตเนี่ยนะภัยของการเกิดภัยของในนรกเปรตอสุรกายและสัตว์เนราชานแต่การที่เขามีปัญญาเห็นภัยแบบนั้นเขาสะสมบุญไว้ในปางก่อนมาดีอนนะอย่างถ้าใครศึกษาประวัติของพระเจ้ากปินะพระเจ้ากปินะเนี่ยวั น, ว, นวันหนึ่งก็จะส่งพูดไปไป สังเกตดูในจะมีข่าวอะไรใหม่ๆขึ้นมาบ้างกสนใจเป็นพิเศษหรือคอยฟังข่าวว่ามีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในโลกหรือยังอันนี้เป็นข่าวที่จะสนใจอยู่ตลอดเวลาไฟตลอดเวลานะแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งนะพอพราหม์อ่าพอพ่อฆ้าเมืองสาวัตถีไปเท่านั้นเนี่ยบอกว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกก็ดีใจมากเลยนะปีติโหปีติเนี่ยมากก็ว่าคําว่าพระพุทธเจ้าเนี่กระจ่ายหนึ่งแสนเลย เนี่ยข้าบอกข่าวดีนะบอกพระธรรมอีกก็จ่ายอีกแสนหนึ่งบอกพระสงฆ์ก็จ่ายอีกแสนหนึ่งพอจั่งจ่ายครบสามแสนก็บอกว่าเมืองสาวัตถีอยู่ทิศไหนก็หันม้าไปทิศนั่นเลยเนี่ยนะฝากข้อค้าไปบอกมาเหสีด้วยยกเมืองให้บริหารยังไงก็เอาไปตัวเองนี่ขี่ม้าไปบวชเลยมาเหสีก็ถามว่าอ้าวพระราชาไปไหนอ่ะเขาบวชแล้วว่งงางั้นยกสมบัตินี้ให้แม่เจ้ามาเหสีนี่ก็เอาเรื่องเหมือนกันก็บอกโอ้เรื่องอะไรจะอ้าปากรับน้ำลายที่เขาถมทิ้งไว้อ่ะ เงี้ยน ะ, ะก็แล้วพระราชาเนี่ยพอฟังข่าวว่ามห ah e, ิอบอกพระพุทธเจ้าเนี่ยนะว่าพอเกิดขึ้นแล้วในโลกพระราชาให้เท่าไหร่บอกให้แสนหนึ่งบอกให้เลยสามแสนเนะก็เลยเหมือนกันสํานวน <c oughs> เกทัพหมดเลยนะ <c oughs> บอกพระธรรมอีกสามแสนบอกพระสงฆ์อีกสามแสนเนี่ยนะกัได้ล้านสองเลยพอข่าววันนั้นไม่ต้องลงค้าขายอย่างอื่นนะ น, นะแล้วก็ แล้วก็มาเหสีนี่ก็ปรึกษาพวกอัมมาศภรรยาของอัมมาตทั้งหลายว่าเออนี่ผัวของเธอไปบวชกันหมดแล้วนะเธอจะเอายังไงอ้าวแม่เจ้าจะเอายังไงบอกฉันก็จะบวชเหมือนกันก็เลยชวนกันออกบวชหมดบ้านหมดเมืองเลยนะที่เป็นพระราชามหากษัตริย์ไม่มีใครกลับมาเหลียวแลเมืองนั้นอีกเลยอะ่ะอย่าอันนี้คือผู้ที่เขามีบุญไว้แต่ปางก่อนแล้วท่านเหล่านั้นก็มีบุญจริงๆอะนะเจอพระพุทธเจ้าฟังธรรมจบบรรลุเลยเหมือนกันเนี่ยนะฟังแม่ฟังธรรมจบก็บรรลุเลยอะ่ะ ก็แสดงว่าเขามีบุญเก่ามีอัธยาศาัยเก่าที่จะเบื่อหน่ายที่เขาเบื่อหน่ายเนี่ยคือเขาเห็นภัยต่อไปในในอนาคตเนี่ยนะอย่างเช่นพระมหากระสตะที่ท่านไปบวชเนี่ยนะท่านไปเห็นชาวนาเขาเอ่อเห็นบริวารเนี่ยไถนาพอไถนาก็ไถไปโดนไส้เดือนตายพวกสัตว์เล็กอะไรก็พวกแมลงพวกกาพวกอะไรก็มากินไส้เดือนเนี่ยนะไถไปไส้เดือนก็ตายก็นึกสงสยัยเอ๊ะบาปที่ทํานี่มันนะ นี่มันเป็นบาปเออก็ถามคนลูกน้องว่าเออบาปที่พวกนี้ทําเนี่ยมันตกถึงใครลูกน้องก็ไม่มีใครรับอยู่แล้วใช่ไหมเพราของนายนั่นแหละมันนั่น <c oughs> นะพ <c oughs> มากับสปาก็บอกเออเรานี่มันก็กินข้าววันละมือละนานเท่านั้นเองไม่ได้เยอะแยะอะไรก็นอนก็ที่นอนเดียวเตียงเดียวอะไรเดียวนี่นยนะบาปพวกนี้ทําทั้งหมดตกแกเราหมดเอาทําอะไรเนี่ยนะกลับบ้านเนี่ยจะยกสมบัติให้แม่บ้านหมดเลยจะบวชแล้ววันนี้แหละ แม่บ้านนี่ก็เหมือนกันนะนี่ยก็พวกคนใช้พวกลูกน้องเนี่ยตากงานกันทิ้งไว้พวกนอนที่มันอยู่ในงานนะพวกกาพวกอะไรมันก็มาจิกกินก็บอกว่าเออเนี่ยบาป พ, พวกนี้มันตกถึงใครคนใช้ก็บอกตกแกแม่เจ้า น, แบบนั่นแหละเหมือนกันบอกครูเนี่ยชั้นชีวิตมันก็ใช้อะไรแค่อย่างละนิดอย่างละหน่อยเท่านั้นเองแต่บาปที่พวกนี้ทํามันตกแกชั้นหมดประโยชน์อะไรด้วยการครองเรือนเหมือนกแบบันนะเมียก็เลยคิดว่านั่นนะถ้าพลูกเจ้ามาเนี่ยนะ ก็จะยกสมบัติให้หมดนะงั้นที่ขนมากี่หมื่นเล่มกวยนนี่นจะขนให้หมดเลยยกให้หมดแล้วไม่เอาแล้วจะบวชแล้วเสร็จแล้วทั้งคู่ก็มาคุยกันนะต่างจะยกให้ซึ่งกันและกันก็เลยออกบวชทั้งคู่เลยนะงั้นบอกว่าวันที่ออกบวชนี่ความรู้สึกว่าพบสามเหมือนกับกุฏิถูกไฟไหม้นะบรรณกุฏิถูกไฟไหม้ถ้าเป็นแบบกระท่อมญ้าไงกระท่อมญ้าถูกไฟไหม้เขามีความรู้สึกว่าพบสามทุกพบเนี่ยไม่มีที่ไหนหน้าอภิรมสักอย่างหนึ่ง ตั้งไว้เลยว่าถ้าผ้าอรหันต์มีอยู่ในโลกขอบวชอุทิศให้แก่ผ้าอรหันต์เหล่านั้นเขามีความเข้าใจว่าผ้าอรหันต์คือผู้ที่พ้นทุกข์แล้วผู้ที่พ้นจากกรรมแล้วผู้ที่หักซี่กรรมแล้วเพรา ะ, ะั้นชีวิตเขาขออุทิศให้แก่ผ้าอรหันต์นะนะก็เลยออกบวชเขบอกว่าพอเดินมาจนถึงระหว่างเมืองนารันทากับเมืองราชคักึกเนี่ยจะมีต้นต้นไทรพหุพหุปุตติกาในโครดเนี่ยเดินมาใกล้จะถึงแถวนั้นเนี่ยแผ่นดินไหวเลย พระพุทธเจ้าก็เลยเสด็จไปตอนรับพมหากัสปัตท่านก็เก่งมากนะบวชเจ็วันก็บรรลุปเป็นพระอรหันต์อีกนั่นแหละคือบวชเป็นพระอรหันต์เนี่ยชําระกิเลสได้เล ย, ยคือคือจัดตัดฉันทราคะในตาหูจมูกลิ้นกายใจได้เลยนะแล้วตัถามว่าผิวของพระอรหันต์เป็นยังไงแบบสีผิวเหมือนทองคอํายปกติท่านเป็นคนผิวเหมือนทองคํำนะแล้วก็อยู่ในบ้านนี้ก็ใช้ผงทองคําเนี่ยถูตัวเนี่ยนะ ใช่วันละหลายทานานด้วยนะไม่ใช่วันละเนี่ยนะเป็นก็มีที่ดินเนี่ยเป็นจังหวัดของประเทศไทยแต่ถ้าเมื่อก่อนนะเขาบอกว่าอย่างอินเดียตอนนี้ก็มีนะพวกเศรษฐีที่มีที่ดินเป็นแสนไร่ก็มีที่พระรูปหนึ่งท่านบอกว่าถ้าใครมีที่ดินเป็นแสนแสนไร่เขาเรียกวาราชาเนี่ยนะทุกวันนี้ก็ยังมีมีที่เป็นแสนไร่เนี่ยนะพันถ้าหากว่าผู้ที่สะสมอัธยาศัยหรือหรือตั้งอัธยาศัยเอาไว้เนี่ยนะ ถ้าถ้าเป็นผู้ที่อย่างเช่นของเราทั้งหลายถ้าฝึกหมั่นเจริญเทอว่าอนุปัสนาสามในทวารหคือตามเห็นตาโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาหูจมูกลิ้นกายใจโดยความเป็นของไปเที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะถึงไปอยู่ณที่ใดก็ตามใจก็น้อมที่จะออกจากสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะคือคำหนึ่งถึงว่าสิ่งเหล่านี้มีโทษอยู่ตลอดเวลาเพราในใ น, ในพูด ค้วิสานสูตรค้าวิสานะนี่ก็หมายถึงนอแร็ดนะนีสูตรที่ว่าด้วยนอแร็ดเนี่ยคือเที่ยวไปแต่ผู้เดียวเหมือนนอแร็ดคือเที่ยวไปด้วยมักมีองค์แปดประดุลนอแร็ดเน่ะท่านเหล่านี้เนี่ยเป็นพระประเจกับพระพุทธเจ้าท่านเหล่านั้นก็คือเป็นผู้ที่เคยบวชเคยศึกษาคําสอนในสมัยพระพุทธเจ้าองค์กรเจริญอนุปัสนาเอาไว้เต็มที่เลยนี่นะเจริญอนุปัสนาเอาไว้อย่างดีในในทวารทั้งหลาย พันเวลาท่านเห็นใบไม้ตกอย่างเดียวเนี่ยเป็นพระราชาอยู่นะไม่เคยฝึกธรรมะศึกษาอะไรมาก่อนเลยนะไอ้อัธยาศัยที่สั่งสมไว้จนเต็มเนี่ยเห็นแล้วน้อมละกิเลสได้เลยเนี่ยนะเห็นดอกบัวเนี่ยมันมันร่วงหรือใบดอกบัวนี่เหี่ยวแค่นั้นแห ะ, ะเจริญไม่ปัรสนาได้เลยหรือบางเจ้านี่ไปเห็นได้ยินเด็กมันร้องเพลงเรื่อยเปื่อยนะเรื่องดอกไม้ไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงอะไรแว๊บๆอะไรแค่นั้นจเจริญได้ละหรือว่า ไปนอนอยู่ใต้โคนไม้เนี่ยนะเห็นใบไม้มันร่วงเนี่ยท่านก็น้อมจะเบื่อหน่ายนะยิ่งแล้วยังมีอีกองค์หนึ่งด้วยนะมีได้ยินเอกของอย่างคุณธพาใส่กําไรมาถ้าถ้าไปบทไปซักอะไรเนี่ยมันจะดังแง่งแง่งๆงอย่างเงี้ยทีนี้อนางสนมเนี่ยบทแป้งเรียกว่าบทผงผงอะไรเนี่ยนะบทบทบทบทไปมันก็ดังแง่งแง่งแงแง่งจะบอกว่าใ้ถ้าแล้วก็อีกข้างนึงมันมีกําไรอันเดียว เออไอกำไรอีกข้างนี้มันไม่กระทบอะไรแต่อีกข้างมีสองอันมันกระทบกันตลอดสังขารทั้งหลายเนี่ยแหละคือไอสิ่งที่กระทบกันมันเหมือนสังขารใช่ไหมเหมือนสังขารสังขารที่ดํารงอยู่ด้วยปัจจัยมันก็มีการกระทบกันสิ่งใดที่กระทบกันสิ่งนั้นไม่เที่ยงหรอกก็พิจารณาแล้วก็เทียบเคียงจากไอกําไรอีกข้างหนึ่งนะที่ที่ถ้าวิเวกมันก็ไม่ไม่ถา้าโดยโดยเฉพาะอุปทิวิเวกนะถ้ามีอุปทิวิเวก การกระทบกันของสังขารมันก็ไม่มีขึ้นก็คิดไปอันนัะก็ดูคนใช้เนี่ยบทต่อไปอนนะมเมสสีก็เลยเอ๊ยพระราชาดูจะชอบเด็กเป็นมั่งเนี่ยขอบทเองเลยเมสสีนี่กำไรเต็มมือไปหมดอนนันบททีก็ดังโคลงแกลงโลงงแกลงนะเบื่อ น, นักเข้าไปอีกกันนะเจริญมิปัสนาก็บรรุเลย นะมเมห์ีก็บวเองเลยนะกําไรเต็มมือไปหมดเนี่ยบทมันจะดังขนาดไหมเนะเก็เบื่อเลยนะบรรลุเป็นพระ้าหัน์ที่นอนบนเตีย ง, ยงนั่นแหละไม่ได้เป็นไหนหรอกเสร็จ แ, แล้วมเหสีก็มาเรียกพระราชาบอกฉันไม่ใช่พระราชาและบอกเอาเป็นอะไรอะ่ะบอกเป็นพระประเจกบอกพระประเจกไม่เป็นอย่างนี้นะเป็นยังไงอะ่ะบอกมีผมไม่เกินสองนิ้วบอกงั้นมีบาทบริหารแปดท่านก็อธิษฐานแล้วก็เป็นนักบวชแล้วก็ห่อไปแนละ้ว อันนี้คือผู้ที่เขาสะสมอัธยาศัยมาเนี่ยนะพร้อมที่จะบรรลุในทุกแห่งได้พร้อมบางมีอยู่เจ้าหนึ่งเนี่ยเป็นนายอําเภอคือคือเป็นเป็นเจ้าเมืองเล็กๆอยู่นะเป็นนายอำเภอเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งก็บ้านเมืองเข้ามาปรึกษากันว่าเราน่าจะจัดมหรสศพในเมืองซึ่งมหรสศพงานนี้จะต้องมีเหล้ามีอะไรกินให้นายอำเภอเนี่ยเซ็นให้หน่อยว่างั้นเถอะอนุญาตให้ดื่มเหล้ากันได้ในเมืองอันนี้เสร็จแล้ว ท่านก็อนุญาตนะนะพองานมันผ่านไปท่านก็มาชำระดูเออเรานี่ก็มีส่วนบาปด้วยนะที่เราไปอนุญาตให้เป็นอย่างนี้เขาแต่ก็เจริญสังเวทตอนหลังก็บรรลุเป็นพระปเจกของพระเจ้าเองนี่นะอันนี้คือผู้ผู้ที่มีบุญทั้งหลายเนี่นะอย่าลืมว่าผ่ารหันทั้งหลายคือใครคือผู้ที่ตัดฉันธราคะในทวารหกได้ถ้าว่าแบบยอดยอดนะ พระ้าหันคือผู้ที่ตัดฉันนราคะในตาหูจมูกลิ้นกายใจคือผู้ที่ไม่เห็นตาหูจมูกลิ้นกายใจว่าเป็นเราว่าเป็นของเราว่าเป็นอัตตาของเราคุณเข้าใจไหมที่เรามาพูดเนี่ยถ้าถ้าเข้าใจคุณตั้งใจฟังตามอย่างเดียวนันะจนะ้าเราพบสามหมายถึงอนะไรครับพบสามพบสาหมายถึงการมาพบรูปประพบและรูปประพบนั่นะน ะ, ะให้ให้ตั้งใจฟังแล้วนะแล้วก็ค่อยคิดตามาว่าโดยมากคุณ ต่อเรื่องอื่นที่ทไม่ต้องการไม่ค่อยเข้าเรื่องเล ย, ยแล้วก็เดี๋ยวเขามามาเล่านิทานทั่วๆไปก่อนแล้วค่อยมาคุยกั น, น, นเพราะาช่วงนี้เป็นวิชาที่ไม่ใช่วิชาแบบทั่วๆไปเพราะนในการการพิจารณาหรือการเจริญบ่อยๆการตามหินบ่อยๆการตามเห็นเนืองๆเนี่ยนะจนคือคือเห็นว่าอการความคิดแบบนี้เป็นสาระนะ นะให้ให้จิตเนี่ยน้อมไปเพื่อจะคิดแบบนี้ต ะ, ะะตะที่มุตตะโตเนี่ยนะหมายถึงว่าตังบวอธิมุตตังตังตัวนี้หมายถึงปัญญาอธทิมุตคือน้อมจิตให้ปัญญาเนี่ยเกิดบ่อยๆเพราะสิ่งร่รเนี่ยมันอยู่ที่การตั้งอัธยาศัยเนี่ยนะถ้าไม่ตั้งอัธยาศัยนะมันไม่เกิดเพราะฉะนั้นอย่างอย่างสมมุติถ้าเราจะจะเจริญสามวันข้างหน้านะต้องตั้งไว้ตั้งแต่ตอนนี้ แต่ถ้าแบบแหมไปไปถึงวันนั้นแล้วจะตั้งจะเจริญได้ไหมไม่ได้จเจริญยากเพราะถ้าเรานั่งพื้นฐานเรานั่งอยู่ตรงนี้นะนี่นะถ้าไปได้ที่เงียบๆนะเราจะต้องเจริญสิ่งนี้นะอย่างน้อยให้ได้หนึ่งชั่วโมงอะนะคิดในตอนที่มันยังวุ่นวายอยู่พอไปถึงตรงนั้นจริงๆแล้วมันจะเจริญได้แต่ถ้าไม่ได้ตั้งไว้เลยไปถึงเห็นดีแล้วก็นั่งคิดเรื่องนี้ได้ไม่กี่นาทีหรอกเดี๋ยวก็เลิกคิดเพราะฉะนั้นความคิดใ น, ในในอย่างตอนนี้มันเป็นผลของความคิดก่อนหน้านี้มา ถ้าเราจะให้ความคิดอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดข้างหน้านะมันต้องตั้งความคิดอันนั้นไว้ตั้งแต่ตอนนี้ก่อนเรียกว่าตั้งอัธยาศัยเพื่อให้มีก่อนเนี่ย น, นะเพราะว่าอย่างเช่นแบบคนทั่วๆไปก็คิดนะว่าอาทิตย์นี้เขาจะพักผ่อนเนี่ยนะนะพอไปถึงวันอาทิตย์เขาจะพักผ่อนอันนี้พูดถึงทั่วๆไปนะเขาจะตั้งกันไว้ก่อนใช่ไหมในทางคําสอนก็เหมือนกันถ้าใครจะเจริญปัญญาเจริญสมถะหรือวิปัสสนาเจริญกุศลธรรมก็ต้องหมั่นตั้งไว้ก่อนว่าเออเนี่ยตื่นเช้ามาเราต้องเจริญอันนั้นนะ แต่ถ้าไม่ตั้งไว้ตั้งแต่ตอนเย็นเป็นต้นนะตื่นเช้ามามันก็ไม่เจอเรื่องนึ่ยตื่นตรงเวลาอย่างที่อยากจะตื่นเนี่ยเสร็จแล้วมันบอกว่าง่วงวันนี้ไม่ควรแก่การงานพักต่อเถอะเนี่ยนะนั่นก็เอาแล้วก็น้อมไปที่จะหลับต่อไปเพันเอกามตั้งอัธยาศัยไว้ก่อนหน้านี้หน้านี่สําคัญที่สุดอันนี้คือเป็นเรียกว่าอัตตะสัมมาปณิที่นั่นเองเพมันจึงต้องหมัน่นสมาทานหมัน่นอธิษฐานหมัน่นนึกถึงบ่อยๆเนี่ยนะน้อมใจเพื่อจะนึกถึงเนี่ยนะ เป็นสิกขาถ้าหากว่าไม่น้อมใจไปเพื่อจะคิดถึงใ น, ในกุศลเหล่านี้มากๆอุย้ยไม่คิดหรอกเชือ่อท่านถ้าหมันน้อมคิดที่จะเห็นโทษนะสังเกตดูหลายครั้งแล้วถ้าถ้าอย่างเช่นทํากุศลด้วยแล้วตั้งความปรารถนาด้วยอันนี้จะมีกําลังมากกว่าธรรมดาแต่ถ้าตอนที่อกุศลมันเกิดและตั้งใจที่จะบอกว่าจะต้องกําจัดอกุศลชนิดนี้ให้ได้ถ้าถ้ามีมีความคิดแบบนั้นเกิดขึ้นนะตอนหลังมันจะทําได้จริงๆ แต่ว่าสําหรับบางคนนะทำทั้งน้ําตาก็อย่างว่าก็กลุ่มทุกขาปฏิปทานะสมมติว่าถ้าใครที่นิมมัตโกรธขึ้นมาไหมหงุดหงิดบอกต่อไปจะต้องกําจัดไอความหงุดหงิดอันนี้ต่อไปให้ได้นะนะตอนแรกๆมันสิ่งเหล่านี้มันทํายากทั้งนั้นแหละของไหนที่ใครเคยชินมานะมันยากทั้งนั้นแหละแต่ถ้ามีอัธยาสายัยตั้งไปบ่อยๆบ่อยๆเข้าคนนั้นจะเป็นคนใจดีขึ้นเอง หรือใครที่มักราคะมีกําลังมากานะตั้งอัธยาศัยให้เห็นโทษของราคะเห็นทุกอย่างจะเจริญอสุภะให้หมดเลยเนี่ยนะถ้าตั้งไว้เดี๋ยวเจริญได้จริงๆแต่ถ้าไม่เคยคิดเลยนะอ่ะนะทุกอย่างเหมือนเดิมหมดปกติหมดอันนี้ก็จะปกติอีกเหมือนกันอวิชชาเป็นปกติ น, ะนั่นก็หมั่นหตั้งอัธยาศัยไว้นะหรือถ้าคิดแบบธรรมดาแบบไม่เกรงใจบอกว่าถ้าเห็นเนี่ยสมมติได้เจริญอ น, นิจจานุปัสสนาตามเห็นตาว่าไม่เที่ยง อันนี้พูดแบบไม่เกรงใจนะเพราะน้าเห็นตาผู้การก็ต้องคิดเรื่องไม่ตาไม่เที่ยงเห็นตาคุณนภาเห็นตาคุณมุนชูเห็นตาคุณชูศรีต้องคิดเรื่องไม่เที่ยงเอาไว้อย่างน น, นะให้มีใจน้อมไปแบบนี้นะต้นหลังมันจะคิดเองแต่ว่าให้ให้ตั้งความปรารถนาเอาไว้หน่อยนะก่อนหน้านี้ต้องตั้งจิตไว้ก่อนแต่ถ้าไปถึงนะตอนที่ยิ่งแบบอนนะปกติคนทั่วๆไปสังสรรค์กันก็ด้วยเรื่องเนี่ยไม่ค่อยหรือเรื่องทั่วๆไปเนี่ยมันเรื่องอื่นมันพาไปหมดอะ แต่ถ้าตั้งอัธยาศาัยไว้ปั๊บเนี่ยนะตอนหลังมันจะเจริญได้หรือสมมุติถ้าแบบใครเจริญในอัธกศัญญาเนี่ยนะมองทุกอย่างคือกระดูกเหมืนกันเถอะโดยเฉพาะสมมติว่ากระดูกกระโหลกศีรษะนะปัญทัคิดเรื่องไอ้กระดูกกระโหลกศีรษะน ะ, น ก, ะ, ก, ก, ะ ก, นะก็น้อมไปเห็นใครมีหัวก็นั่งคิดเออนะกระดูกกระโหลกศีรษะทั้งนั้นนะ่ะจิตมันก็น้อมไปเพื่อจะคิดแบบนั้นเดีย๋ยนะ แต่ถ้าไม่ไม่ตั้งอัธยาสายเนี่ยโอ้นี่ไม่ไม่ใช่ฐานะเลยเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วอันผู้มีบุญทั้งหลายคือผู้ที่ตั้งอัธยาสาัยไว้ก่อนหน้านั้นมาอันผู้บรรลุธรรมในสมัยพุทธกาลคือผู้ที่มีอัธยาสาัยที่จะน้อมไปคิดเรื่องความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาในอุปาทานขันมากเนื่องจากเขารู้ว่าการที่อุปาทานขันเกิดมันเป็นทุกข์เเนี่ยมันเป็นทุกข์ อย่างอย่างนึกถึงพระนางสุเมธาเถรีเนี่ยนะอย่างในในเถรีคาถานะเรื่องเรื่องสุดท้ายนะมา อ, อ, อ่านแล้วก็ยังชอบใจเลยอ่านหลายครั้งละก็ชอบมากอะหลายคำคือคือนางเก่งมากนะเป็ น, เ ป, นเป็นลูกของพระราชาที่เกิดมาสวยมากอ่นะก็พระราชาจะให้แต่งงานก็ไม่เอาเนี่ยนะก็พูดเหตุผลโน้มน้าวจนอ้ฝ่ายหนึ่งก็ไม่ยอมแต่งพ่อแม่ก็ต้องยอมให้บวชอ่านนะ ซึ่งจริงๆแล้วเป็นลูกพระราชาเนี่ยที่จะบวชได้ไม่ใช่ของง่ายอะไรแล้วก็มีอัธยาศัยที่จะน้อมออกจากกรามได้ในในสมัยที่ไปสวยสมบัติแบบนั้นนะที่ทเรียกว่าเป็นผู้ที่รูปกอ ง, งามอะไรก็คือดีหมดเลยสติปัญญาก็ดีอะไรก็ดีเรียกว่าน้อมที่จะเป็นราชินีสองเมืองอะไรอยังไงทําได้หมดอยู่แล้วแต่ว่าไม่เอาอ่ะดังนั้นอันนั้นคืออัธยาศัยที่สั่งสมเอาไว้ก่อนหน้านั้นแปลว่าก่อนหน้านั้นอ่ะถึงทําไม่สําเร็จ สมมติว่าในสมัยพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆทาไม่สําเร็จพอพระพุทธเจ้าองค์หลังท่านทําได้ของเราทั้งหลายก็เหมือนกันนะอย่างพระพุทธเจ้าองค์นี้เราก็บรรลุหรือไม่บรรลุสําคัญตรงที่ว่าเราเจริญมากหรือน้อยเห็นไหมถ้าให้บรรลุนะถ้าเราสั่งสมบุญไว้แล้วจะเป็นสิ่งที่ไม่น่าหนักใจสมมตินะถ้าสมมติว่ า, า, มมม ต, วาตามเห็นตาหูจมูกลิ้นกายใจโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีเนี่ย แเรียกว่าคนที่เรารู้จักนะมีตาหูจมูกลิ้นก า, ายใจหมดเนี่ยเราเอาน้อมมันเนี่ยไปเจริญไว้กับทุกคนให้ดีให้ให้เสร็จเรียบร้อยเลยอะ่ะแล้วน้อมคิดอย่างนี้เป็นอัพยาศัยด้วยเจริญคิดอย่างนี้จนเป็นอัธยาศัย